สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพ ร, ระเยซูหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับการอธิษฐานตามแบบพระเยซูตอนที่สี่ครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในมัทธิวบทที่หกข้อที่สิบสามข้อเดียวนะครับข้อสิบสามข้อเดียวและขออย่านําข้าพระองค์เข้ามาในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายนี้เป็นตอนแรกนะครับของบทพระคัมภี อ น, นี้นะครับข้อที่สิบสามและขออย่านำภาพพระองค์เข้าบริการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับภษางังกฤษบอกว่า and lead us not into temptation but deliver us in uh, from evil lead us not into temptation แปลว่าขออย่านำภาพพระองค์เข้าบริการรอดรวงนะครับแท้จริงแล้วการแปลพระคัมีตอนนี้นะครับจะใช้คำว่าทดลอง หรืออาจจะใช้คําว่าลอ่อลวงก็ได้ครับแต่การลอร่อลวงนั้นเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นแผนหรือวัตถุประสงค์ที่คนที่ล่อลวงหรือผู้ลอ่อลวงนั้นก็คือทําให้เรานั้นต้องทาบาปทําให้เรานั้นต้องก้าวไปสู่ความตายครับที่นะครับเพื่อนพีในคําอธิษฐานของพระเยซูที่ตรัสสอนพวกเราบอกว่าเราจะต้องอธิษฐานทูลขอพระเจ้าที่ขออย่าให้เรานั้นเข้าไปอยู่ในทางเดินนะครับหรือในมันคาที่นําไปสู่ความบาป ในทางกลับกันครับเราจะต้องมีความหวังหรือตั้งใจว่าเราจะต้องเดินอยู่ในมันคาหรือทางแห่งความชอบธรรมทางแห่งความบริสุทธิ์ที่น้องครับคำอธิฐานข้อนี้เกี่ยวข้องกับของประทานปัญญาณอย่างหนึ่งก็คือของประทานของการสังเกตของประธานของการแยกแยะนะครับแยกแย ะ, ะรครับแยกแยะระหว่างความถูกต้องกับความไม่ถูกต้อง และแล้ที่นะครับใช้อธิบายว่าเป็นของประธานฝ่ายวิญญาณก็คือการแยกแยะวิึ่อย่างครับเป็นการสังเกตวิญญาณนะครับที่นี่ได้บอกว่าให้เราที่จะสามารถมี discernment นะครับก็คือการแยกแยะนะครับหรือจิตที่แยกแยะระหว่างความถูกต้องนะครับกับความล้มเหลวระหว่างความระหว่างความสําเร็จนะครับกับความล้มเหลวความถูกต้องกับความผิด นะครับและก็ความชอบธรรมกับความอาธรรมที่นี่บอกว่าให้เราพ้นจากการทดลองนะครับอย่านําเราเข้าไปในการทดลองหรือในการเล่าลวงคุณครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้นะครับหรือเป็นการสงครามระหว่างเนื้อหนังกับจิตอุญญาณครับเพราะวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทําให้เราสามารถที่จะได้แยกแยะได้แยกแยะออกมาได้ครับว่าอะไรเป็น สิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องครับหลายใครั้งทีเดียวนะครับเมื่อความลําบากนะครับเข้ามาเราต้องแยกแยะได้ว่าความลําบากตรงนั้นนะครับเป็นบทเรียนที่จะทดสอบเรานะครับหรือเป็นการล่อลวงเราเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นบทเรียนที่จะทดสอบเรามันจะนําเรานะครับให้เราเติบโตในทางของพระเจ้านําเราที่จะไปถึงการเติบโตในคนที่อยู่ภายในเราหรือตัวตนของเราข้าไหน นะครับเติบไปสู MO. ่ความบริสุทธิ์เติตโตไปในเรื่องของความอดทนเติบโตไปในเรื่องของความรักเต่บโตในเรื่องของการห่วงใ ย, ยคนอื่นนะครับหลายๆลครั้งเราอาจําเป็นที่ต้องผ่านบทเรียนแห่งความทุกข์ายากลำบากอันนี้คือบททดสอบเรานะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีการาล่อลวงที่มาจากมารซาตานครับซึ่งนําเราไปถึงความบาปและความตายเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับและเราต้องสามารถที่จะบอกได้ว่าอันนี้มากากพระเจ้าอันนี้มาจากมารครับ เราต้องไม่หลงกลอุบายของมาครับแต่ละเราจะต้องเข้าสู่บทเรียนหรือบททดสอบที่เกิดจากพระเจ้านี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายนะครับทุกคนที่เราจะมี discernment spirit หมายความว่าเป็นของประทานนะครับฝ่ายวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับการแยกแยะเราต้องแยกแยะให้ออกครับว่าอะไรเป็น temptation นะครับอะไรเป็นการล่อลวงหรืออะไรเป็น trial หรือ test นะครับก็คือการทดสอบนั่นเองพี่น้องครับ พระเจ้านั้นได้ให้การทดสอบเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อให้เราผ่านครับนะครับไม่มีครูคนไหนตั้งใจออกข้อสอบแล้วให้นักเรียนทําแล้วตกนะครับพระเจ้าของเราซึ่งเป็นพระบิดามืองสวรรค์รงทรงตั้งมาถ่ายครับว่าเมื่อส่งบททดสอบให้เราองค์ต้องการให้เราผ่านเมื่อเราผ่านนั้นเราก็จะได้บททดสอบอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ไปกับพี่น้องครับเราควรจะภูมิใจนะครับว่าหลายในครั้งทีเดียวนะครับ ปัญหาแก้แล้วนะครับก็มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นหลายคนท้อใจครับขาดกำลังใจแต่ผมอยากจะให้กำลังใจและหนุนใจพี่น้องครับว่าปัญหานะครับมีไว้สําหรับแก้ครับปัญหามีไว้สําหรับที่เราจะพุ่งชนแต่เราพุ่งชนไม่ใช่กาลังของเราเองครับแต่เป็นกําลังที่มาจากพระเจ้าให้เราทูลขอสติปัญญากับพระเจ้านะครับและขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีจิตวิ ญ, ญญาณนะครับหรือเรามีของประทานแห่งการแยกแยะครับ ว่าไหนเป็นการล่อหลวงครับยกอย่างเช่นถ้าว่าเรานั้น <c oughs> ถูกนําเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่อคโคจรนะครับก็คือไม่ควรไปในสถานเริงรมมต่างๆนะครับในการที่จะดื่มเหล้าหรือในการที่จะสุบลีหรือในการที่จะทําลายวิหารของพระเจ้าหือร่างกายของเรานั้นเราจะต้องรู้ครับว่าอันนี้เป็นอันตรายนะครับเราสามารถที่จะขอพระเจ้าให้พระเจ้าประทาน ของประธานก็คือจิตแห่งการแยกแยะหรือของประธานฝ่ายวิญญาณในเรื่องของการสังเกตวิญญาณครับว่าอะไรมาจากพระเจ้าอะไรมาจากมารซาตานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับให้คำมริษฐานนะครับของพระเยซูที่ตรัสสอนพวกเราทั้งหลายนะครับได้สําเร็จในชีวิตของเราก็คือให้เราขออย่านำข้าครองค์เข้าไปในการทดลองนะครับ มาอีกคำอธิษฐานหนึ่งครับซึ่งเป็นคำอธิษฐานสุดท้ายเป็นคำอธิษฐานที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปทบทวนนะครับแต่ขอให้ผมได้พูดตรงนี้ก่อนนะครับขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายภาษาอังจะใเรคํราว่า but deliver us in uh, from evil นะครับ but deliver from evil นี่คือคำขอที่บอกว่าขอปลดปล่อยเรานะครับหรือขอให้เราพ้นนะครับปลดปล่อยเราออกจาก ความชั่วร้ายหรือซึ่งชั่วลหลงร้ายคําว่า evil นะครับหมายถึงซาตานครับก็คือเป็นผู้ที่หลอกลวงเราเป็นผู้ที่ล่อลวงเราเป็นผู้ที่ปรารถนาชั่วนะครับกับเราไม่ได้ปรารถนาดีครับพระเจ้าของเราให้วีดังของเรา ท, ง ร, า ท, ทรงปรารถนาดีกับเราแต่มาซาตานนั้นปรารถนาชั่วเพราะมาซาตานานั้นเป็นผู้ที่มาเพื่อที่จะลักขโมยนะครับลักลักนะครับไม่ใช่รอเรือนะครับลักหลอกลิงครับลัก ฆ่าและทำลายนะครับเขามีหน้าที่สามอย่างคือรักขโมยครับรักขโมยเพราะฉะนะครับซึ่งเป็นมเมล็ดพันที่ดีออกจากหัวใจของเรานะครับรักขโมยฆ่าก็คือฆ่าชีวิตครับทำลายเลยครับทำลายจิตวิญญาณนะครับเพื่อให้เราขาดจากความสัมพันธ์ทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านี่คือสิ่งที่ม า, ากักาะทำเสมอไม่เป็นจุดมุ่งหมายของมันนะครับในการที่มันจะทำลายเราเพราะฉะนั้น คำอธิษฐานที่พระเยซูสอนเราให้อธิษฐานก็คือให้เราได้รับการปลดปล่อยนะครับจากความชั่วร้ายความชั่วร้ายนะครับมันผูกมัดมนุษย์อยู่นะครับเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เกิดมาในโลกนี้เราถูกผูกมัดด้วยม า, า, กการซาตานนะครับเราเป็นท่าของความมืดนะครับเมื่อเราเชื่อพระเยซูเราได้รับการปลดปล่อยนะครับเราเป็นไทยเป็นอิสระจากการผูกมัดของอำนาจมืดมิญ ญ, ญันชั่วทั้งหลายนะครับเราเข้ามาเป็น ธาตแห่งความชอบธรรมธาของความสว่างเป็นบุตรของพระเจ้านะครับเป็นสหายพระเยซูเราเรียกพระเจ้าว่าเป็นอับบาหรือพระบิดาบนสวรรค์นะครับนี่คือการปลดปล่อยเราออกจากอํานาจมือวิญญาณชั่วปลดปล่อยเราออกจากซึ่งชั่วร้ายนะครับคำอธิษฐานของเราจะต้องมีคําอธิษฐานที่ร่วมกันไปกับคริปจัก ด, ด้วยก็คือว่าให้เราจะกลุ่มนั้นคลิปจักทุกๆคนนะครับมีหน้าที่ที่จะปลดปล่อย นะครับโดยทูลขอพระเจ้าทูลขอพระเยซูให้ปลดปล่อยคนทั้งโลกออกจากอํานาจพื้นบินแห่ชั่วซึ่งชั่วอะไรทั้งหลายนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้สอนเราพี่น้องครับนี่เน้นเรื่องการประกาศใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าข่าวประเสริฐและพระกิติคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่จะปลดปล่อยนะครับคนออกจากอํานาจพื้นินแห่ชั่วปลดปล่อยออกจากการปลูกมัด นะครับพระนามของพระเยซูคิดเจ้าชาวนาทะเละเท่านั้นที่จะปลดปล่อยเรานะครับออกจากการผูกมัดความสัมพันธ์ต่างๆที่มีแต่วิญ ญ, ญาณชั่วทั้งหลายพี่น้องครับผู้ที่จมพระเยซูจําเป็นที่จะต้องอธิษฐานนะครับที่จะพ้นนะจากการทดลองการล่อลวงทั้งหลายการเย้ายวนนะครับและให้พ้นจากความชั่วร้ายและสิ่งชั่วร้ายรวมทั้งการผูกมัดอานาจมืดมิญญาณชั่วของมาต่างๆด้วยนะครับพี่น้องครับคําว่าง <c oughs> ัคําว่าการทดลองใจนะครับ การทดลองใจในภาษากรีกได้คําว่าพริเซนนะครับเพ ร, เร์เซนก็คือสิ่งเยาหยวนนะครับคึเกเตียนเรานั้นเราทราบว่าพระเจ้านั้นมีทั้งมาเนื้อสิ่งทั้งๆสิ่งต่างและสิ่งเราเยาหยวนรวมทั้งศาตานด้วยพระเรยซูกาญหาให้เราทูลขอพระเจ้านะครับให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะทด้การปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากซึ่งชั่วร้ายนะครับเวลาที่ชีวิตของเรานั้นได้รับการทดลองนะครับโดยต้อง เข้าใจพจนะของพระเจ้าและเข้าใจธรรมไทยของพระเจ้าเข้าใจสิประสมของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าตอนหนึ่งได้บอกกันครับในหนึ่งโครินบทที่สิบข้อสิบสามครับเกี่ยวกับการทดลองพี่น้องกบอยากจะให้หนุนใจพี่น้องที่อยู่ในการทดลองครับไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัต์ธรรัทธาคงจะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อทรงทดลองท่านนั้น คงจะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลียงได้ด้วยเพื่อท่านจะได้มีกาลังทนได้พี่ น, น้องครับพระองค์พระเจ้าของเราพระบิดามนตร์ของเราจะไม่ทรงให้เราทั้งหลายถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้านะครับให้เราสรรเสริญพระเจ้าพระ a l ู e l u และอาเมนนะครับบอกว่าการทดลองที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นจะไม่เกินกว่าที่เราจะทนได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้านะครับถ้าหากว่า พระเจ้านั้นไม่ได้ถูกมัดอำนาจด้วยมีนัญชั่วนะครับการทดลองนะครับการล่อลวงจะหนักหนาสาหัสมากกว่านี้นะนะครับความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจะมากกว่านี้นะแต่พระเจ้าได้ประทานขนาดที่เพียงพอนะครับเหมาะสมกับแต่ละคนพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรครายอยู่ผมอยากไปหลุนใจนะครับอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะบอกกับพระเจ้าว่าขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทนที่ยังมีอยู่ได้นะครับหลายทั้งเราอาจจะพอใจนะครับขอพระเจ้าหลุนกําลังใจ และให้พราจ้าะของพระเจ้าตอนนี้ได้เสริมกาลังเรานะครับเราจะไม่ถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้อย่างแน่นอนครับอามน